อาจาระตามนัยยะแห่งอัตถกถาอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีความคาระวะมีความเคารพสมบูรณ์ด้วยหิริและโอตปะนุ่งสบงห่มจีวรเรียบร้อยมีการเดินหน้าถอยหลังมีการเหลียวไปแลมามีการคูเหยียดอันน่าเลื่อมใสมีจักสุทอดลงประมาณชั่วแอกมีอิรยาบทเรียบร้อย รักษาทวาในอินทรียหกรู้จักประมาณในโภชนะมันประกอบความเพียรประกอบด้วยสติและสัมปัตยัญญะมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารบความเพียรมีปกติทำความเคารพในอภิสมาจาริกคสินทั้งหลายเป็นผู้มากด้วยการทำความเคารพในบุคคลผู้อยู่ในฐานะแห่งความเคารพ พฤติการของภิกษุนั้นเช่นนี้เรียกว่าอาจาระนักศึกษาพึงทราบอาจาระอันเป็นประการแรกด้วยประการดังพันนนามานี้โคจระหรือโคจรสามอย่างส่วนโคจรมีสามอย่างคืออุปนิสยะโคจรหนึ่งอารักขะโคจรหนึ่ง อุปนิพันธะโคจรหนึ่งในโคจรสามอย่างนั้นอุปนิสยะโคจรเป็นอย่างไรกาลยานามิตรซึ่งประกอบด้วยคุณคือกถาวัตถุสิบที่ภิกษุพึ่งพิงแล้วยอมได้ฟังพุทธวจนะที่ยังไม่เคยฟังยอมทำพุทธวจนะที่ฟังแล้วให้แจ่มแจ้งยอมสิ้นความสงสัยยอมทำทฤษฎีให้ถูกต้อง ย่อมทำจิตใจให้เลื่อมใสและหรือกัลยาณมิตรผู้ที่ภิกษุศึกษาสำเนียกตามอยู่ย่อมเจริญด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาระและปัญญากัลยาณมิตรนี้เรียกว่าอุปนิสยโคจรอารักขาโคจรเป็นอย่างไร ภิกษุในศาสนานี้เข้าไปสู่ละแวกบ้านเดินไปตามถนนทอดสายตาลงมองดูประมาณชั่วแอกเดินไปอย่างสำรวมไม่เหลียวดูพนช้างไม่เหลียวดูพลมา้าไม่เหลียวดูพนรถไม่เหลียวดูพลเดินเท้าไม่เหลียวดูสตรีไม่เหลียว ด, ดูบุรุษไม่แหงหน้าขึ้นข้างบนไม่เหลียวลงข้างล่างไม่เดินมองทิดน้อยทิศใหญ่ พฤติการของภิกษุนั้นเช่นนี้เรียกว่าอารักขะโคจรอุปาณิพันธะโคจรเป็นอย่างไรคือสติปัฏฐานสี่อันเป็นที่ผูกจิตไว้สมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายก็โคจรของภิกษุได้แก่อะไร ได้แก่วิสัยอันเป็นสมบัติของพุทธบิดาของตนคือสติปทานสี่น้เรียกว่าอุ ป, ปาณิพันธะโคจรภิกษุเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปพร้อมแล้วเข้าถึงแล้วเข้าถึงพร้อมแล้วมาตามพร้อมแล้วด้วยอาจาระนี้และด้วยโคจรนี้ด้วยประการดังอธิบายมา แม้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอาจาระโคจรสัมปันโนแปลว่าพูดถึงพร้อมแล้วด้วยอาจาระและโคจรชนี้คำว่ามีปกติมองเห็นภัยในโทษมีประมาณเล็กน้อยคือมีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณเล็กน้อยอันต่างด้วยโทษ เช่นการต้องอาบัตเสขียวัดโดยไม่ได้จงใจและเกิดอกุศลจิตเป็นต้นคําว่าสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายความว่าศีลอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะพึงศึกษาในสิกขาบททั้งหลายศีล น, นั้นทั้งหมดเธอถือเอามาศึกษาสำเนีจออยู่โดยความเคารพนักศึกษาพึงทราบว่า ปาติโมกขสังวรศีน์พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วในบทว่าปาติโมกขสังวรสังวุโตที่แปลว่าผู้สํารวมด้วยสังวรคือปาติโมกนี้และด้วยเทศนาปุคลาทิฏฐานมีประมาณเท่านี้ส่วนบทว่าอาจาระโคจระสัมปันโนที่แปลว่า พูดถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้เพื่อทรงแสดงถึงข้อปฏิบัติโดยประการที่สี่นั้นทั้งหมดจะสำเร็จแก่ผู้ปฏิบัติอธิบายอินรียสังวรสีนในอินรียสังวรสีนที่พระผู้มีพระภาค ทรงแสดงไว้ในลำดับแห่งปาติโมคสังวรสี์โดยนัยยะมีอาธิว่าภิกษุนั้นเห็นรูปด้วยจักสุดังนี้นั้นมีอ ธ, ธิบายดังต่อไปนี้คําว่าภิกษุนั้นได้แก่ภิกษุผู้ดำรงอยู่ในปาติโมคสังวรสีนคาว่าเห็นรูปด้วยจักสุอธิบายว่าเห็นรูปด้วยจักขวิญญาณ อันสามารถเห็นรูปได้ซึ่งได้วัวหารว่าจักสุด้วยอำนาจแห่งเหตุส่วนท่านโบราณอาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าจักสุเห็นรูปไม่ได้เพราะไม่มีจิตจิตก็เห็นรูปไม่ได้เพราะไม่มีจักสุแต่เพราะทวารกับอารมณ์กระทบกันบุคคลจึงเห็นรูปได้ด้วยจิตซึ่งมีจกักขู่ประสาทเป็นวัตถุก็แหละ การพูดที่ประกอบด้วยเหตุเช่นนี้ย่อมมีได้เหมือนอย่างในคำมีอาธิว่าคนยิงด้วยธนูเพราะฉะนั้นอธิบายในคำว่าเห็นรูปด้วยจักษุนี้ได้แก่เห็นรูปด้วยจักขวิญญาณ น, นั่นเทียวคำว่าไม่ยึดถือซึ่งนิมิตอธิบายว่าไม่ยึดถือซึ่งนิมิตว่าเป็นหญิงเป็นชาย หรือนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสมีนิมิตสวยงามเป็นต้นหยุดอยู่เพียงแค่เห็นเท่านั้นคำว่าไม่ยึดถือซึ่งอนุพยัญชนะอธิบายว่าไม่ยึดถือซึ่งอาการอันต่างด้วยมือเท้าการยิ้มการหัวเราะการพูดและการเหลียวแลเป็นต้นซึ่งได้โวหารว่าอนุพยัญชนะ เพราะกระทำความปรากฏโดยเป็นที่ปรากฏเ น, อเนืองของกิเลสทั้งหลายอาการใดปรากฏในสรีระนั้นก็ถือเอาเพียงอาการนั้นเหมือนพระมหาติศสะเทระผู้อยู่ที่เจติยบันพศเรื่องพระมหาติศสะเทระได้ยินว่าขณะเมื่อพระเทระจากเจติยบันพศ มายังเมืองอนุราธาบุรีเพื่อเที่ยวบินธบาตนั้นยังมีหญิงสะใภแห่งตระกูลคนใดคนหนึ่งเกิดทะเลาะ ก, กับสามีแล้วประดับตกแต่งตนอย่างสวยงามเป็นเสมือนเทพกัญญาแล้วหนีออกจากเมืองอนุราธาบุรีไปแต่เช้ามืดทีเดียวเมื่อเดินไปถึงเรือนญาติได้พบพระเทระเข้าในระหว่างทางพอดีเกิดมีจิตวิตปลาดขึ้นจึงหวเราะเสียอย่างดัง พระเถระมองดูได้คิดว่านี่อะไรกันแล้วได้อสุภาษัญญากรรมฐานที่กระดูกฟันของหญิงนั้นเลยได้บรรลุพระอระหัดด้วยเหตุนั้นท่านโบราณอาจารย์จึงกล่าวไว้ว่าพระเถระนั้นเห็นกระดูกฟันของหญิงสะพยนั้นแล้วก็ระลึกขึ้นได้ซึ่งอสุภสัญญากรรมฐานที่ตนเคยได้มาแล้วในการก่อนได้บรรลุแล้วซึ่งพระอระหัดทั้งยืน นที่ตรงนั้นนั่นเทียวฝ่ายสามีของนางตามหาไปโดยทางนั้นเห็นพระเถระเข้าจึงเรียนถามว่าท่านขอรับท่านเห็นสตรีอะไรอะไรบ้างไหมพระเถระได้ตอบกับชายสามีนั้นว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเดินไปทางนี้อัตมาไม่ทราบแต่ว่าโครงกระดูกเนี่ยเดินไปทางใหญ่ชั้นนี้ ในคำว่ายะตะวาทิกรณะเมนังเป็นต้นมีอาธิบายว่าธรรมะทั้งหลายมีอภิชาเป็นต้นเหล่านี้พึงไหลไปคือพึงติดตามไปซึ่งบุคคล น, นี้ผู้ไม่ปิดซึ่งจากขุนศีด้วยบานประตูคือสติคือไม่ได้ปิดจากขุทวานเพราะการไม่สังวรจากขุนศีได้เป็นเหตุ คือเพราะเหตุแห่งไม่สังวรจากขุนสีใดคำว่าย่อมปฏิบัติเพื่อสังวรจากขุนสีนั้นความว่าย่อมปฏิบัติเพื่อปิดซึ่งจากขุนสีนั้นด้วยบานประตูคือสติและเมื่อภิกษุปฏิบัติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้นั่นแหลพระผู้มีพระภาคตรัสว่ารักษาจากขุนสีบ้าง ถึงซึ่งความสังวรในอินทรีย์บ้างสังวรอาจสังวรไม่มีที่จะคุณสีในคำว่ายอมถึงซึ่งความสังวรในจักคุณสีนั้นอันที่จริงแล้วความสังวรหรือความไม่สังวรย่อมไม่มีที่จักคุณสีหรอกความมีสติหรือความเผลอสติก็หาได้บังเกิดขึ้น เพราะอาศัยจากขูปปัสสัดไม่ก็แต่ว่าการใดอารมณ์คือรูปมาสู่คลองจักสุคือรูปกระทบตาการนั้นเมื่อะวังกจิตเกิดดับสองครั้งกิริยามโนธาตุเกิดขึ้นข้อนี้หมายเอาปัญจทวาราวัชนาจิตทาอาวัชนากิจกิจคือการนึกเอารูปารมณ์ให้สำเร็จแล้วก็ดับไป แต่นั้นจะขูวิญญาณจิตเกิดขึ้นทำทัศนกิจกิจคือการเห็นรูปให้สำเร็จแล้วก็ดับไปแต่นั้นวิปากมโนธาตุหมายเอาสัมปติชนะจิตเกิดขึ้นทำปฏิชนะกิจกิจคือการรับอรูปารมณ์ให้สำเร็จแล้วก็ดับไปแต่นั้นวิปากะอเหตุตุกะมโนวิญญาณธาต หมายเอาสันติรณจิตเกิดขึ้นทำสันติรณจิตกิจคือการพิจารณารูปารม์ให้สำเร็จแล้วก็ดับไปแต่นั้นกิริยาเหตุตุกะมโนวิญญาณธาตุหมายเอามโนโทวาราวัชนาจิตเกิดขึ้นรำวุฒภณาจิจกิจคือการตัดสินรูปารม์ให้สำเร็จแล้วก็ดับไป ลำดับต่อจากกิริยาอเหตุกะมโนวิญญาณธาตุนั้นชาวนาจิตก็แล่นไปเจ็ดขณะสังวรและอสังวรมีขณะแห่งชาวนาจิตแม้ในสมัยเหล่านั้นสังวรก็ดีอสังวรก็ดีย่อมไม่มีในพวังค์สมัยนั้นเที่ยว ย่อมไม่มีในอวัชนาสมัยเป็นต้นสมัยใดสมัยหนึ่งเช่นกันแต่ถ้าว่าความทุศีลความเผลอสติความไม่รู้ความไม่อดทนหรือความเกียจคร้านเกิดขึ้นในขณะแห่งชาวนาจิตอสังวรย่อมมีได้และอสังวร น, นั้นเมื่อมีอยู่โดยทํานองนี้ท่านเรียกว่าความไม่สังวรในจากขุน4ี เพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าเมื่ออสังวร น, นั้นมีแม้ทวารก็ชื่อว่าเป็นอันไม่รักษาแล้วพวังะจิตก็ดีวิถีจิตทั้งหลายมีอาวัชนะเป็นต้นก็ดีย่อมเป็นอันไม่รักษาแล้วตลอดแถวข้อความที่กล่าวนี้เปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนประตูเมืองสีประตูไม่ได้ปิดถึงจะปิดประตูเรือน ยุงฉางและห้องหับอันเป็นภายในอย่างเรียบร้อยแล้วก็ตามแม้ถึงกระนั้นก็ชื่อว่าไม่รักษาไม่คุ้มครองสิ่งของทั้งมวลอันอยู่ภายในเมืองนั่นเที่ยวเพราะเหตุว่าโจรทั้งหลายเข้าไปทางประตูเมืองแล้วจะทําสิ่งที่ตนปรารถนาได้อยู่ฉันใดเมื่อโทษทั้งหลายมีความทุศีลเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วที่ชวนะ รันขวามไม่สังวรมีอยู่ที่ชาวนะนั้นแม้ทวารก็เป็นอันไม่ได้รักษาแล้วแม้ผวังขจิตแม้วิถีจิตทั้งหลายมีอาวัชนะเป็นต้นก็เป็นอันไม่ได้รักษาแล้ ว, ว, ว, ลวชันนนนวช้นนั้นเหมือนกันแต่เมื่อคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วที่ชาวนะนั้นแม้ทวารก็ชื่อว่าเป็นอันรักษาแล้วแม้ผวังขจิต แม้วิถีจิตทั้งหลายมีอวัชนะเป็นต้นก็เป็นอนุรักษ์แล้วเช่นกันที่กล่าวนี้เปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนเมื่อประตูเมืองปิดแล้วถึงเรือนทั้งหลายที่อยู่ภายในเมืองเป็นต้นไม่ได้ปิดประตูแม้ถึงกรณนั้นก็ได้ชื่อว่ารักษาดีแล้วคุ้มครองดีแล้วซึ่งสิ่งของทั้งมวลที่มีอยู่ภายในเมืองนั่นแหลเพราะเหตุว่า เมื่อปิดประตูเมืองทั้งสี่ประตูแล้วโจรทั้งหลายย่อมเล็ดลอดเข้าไปไม่ได้ฉันได้เมื่อคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วที่ชวนะแม้ทวารก็ชื่อว่ารักษาแล้วแม้พระวังขจิตแม้วิถีจิตทั้งหลายมีอาวัชนะเป็นต้นก็เป็นอันรักษาแล้วฉันนั้นเหมือนกันเพราะเหตุดังบรรยายมา แม้ถึงความสังวรจะเกิดขึ้นอยู่ที่ขณะแห่งชวนะท่านก็กล่าวว่าความสังวรในจักขคุนสี่นันนี้แม้ในคำทั้งหลายมีคำว่าฟังเสียงด้วยโสตะเป็นต้นก็มีอัธยาธิบายโดยทำนองเดียวกันนี้นั่นเทียวนักศึกษาพึงทราบว่าเมื่อว่าโดยย่อแล้วอินสียะสังวรนี้มีอันเว้นจากการยึดถือซึ่งนิมิต อันเป็นที่ตามผูกพันแห่งกิเลสในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นเป็นลักษณะด้วยประการชนนี้อธิบายอาชีวะปาริสุทธิีศีลบัด น, นี้จะอาธิบายในอาชีวะปาริสุทธิีศีลซึ่งตรัสไว้ในลำดับแห่งอินซียะสังวรศีลต่อไปดังนี้ คำว่าด้วยอำนาจแห่งการล่วงละเมิดซึ่งสิกขาบทหประการซึ่งส่งบัญญัติไว้เพราะมีอาชีพเป็นเหตุอธิบายว่าด้วยอำนาจการล่วงละเมิดสิกขาบทหประการเหล่านี้ซึ่งส่งบัญญัติไว้อย่างนี้ประการที่หนึ่งภิกษุมีความปรารถนาลามกอันความอยากครอบงำแล้วยอมพูดอวดอุตริมนุสธรรมคือธรรมะอันยิ่งกว่าธรรมะของมนุษย์ อันไม่มีจริงอันไม่เป็นจริงเพราะมีอาชีพเป็นเหตุเพราะมีอาชีพเป็นตัวการต้องอาบัตปาราชิกประการที่สองิกษุทํทำการชักสื่อคือให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกันเพราะมีอาชีพเป็นเหตุเพราะมีอาชีพเป็นตัวการต้องอาบัตสังฆาทิเศษประการที่ ส, สาม ภิกษุพูดไกลว่าภิกษุได้อยู่ในวัดของท่านภิกษุนั้นเป็นพระอาหารหันต์ดังนี้เพราะมีอาชีพเป็นเหตุเพราะมีอาชีพเป็นตัวการเมื่อยังยืนยันอยู่ต้องอาบัติทุนละใจประการที่สี่ภิกษุไม่ได้ต้องอาพาธขอโภชนะอันประณีตเพื่อตนมฉันเพราะมีอาชีพเป็นเหตุเพราะมีอาชีพเป็นตัวการ ต้องอาบัติปาจิตตีประการที่ห้าิกษุไม่ได้ต้องอาพาธขอโพชนะอันปราณีเพื่อตนมาชันเพราะมีอาชีพเป็นเหตุเพราะมีอาชีพเป็นตัวการต้องอาบัติปาฏิเทสนียะประการที่หภิกษุไม่ได้ต้องอาพาธขอแกงหรือข้าวสุกเพื่อตนมาชันเพราะมีอาชีพเป็นเหตุ เพราะมีอาชีพเป็นตัวการต้องอาบัตทุกกฎบาปธรรมห้าอย่างในพระบาลีในบาปธรรมมีการหลอกลวงเป็นต้นมีพระบาลีดังต่อไปนี้ว่าหนึ่งในบาปธรรมเหล่านั้นการหลอกลวงเป็นอย่างไรการสยิวหน้ากิริยาสยิวหน้า การหลอกลวงกิริยาหลอกลวงภาวะที่หลอกลวงด้วยกุหณะวัตถุคือการ ส, สร้างเสษปัจจัยสี่หรือด้วยการพูดกระซิบหรือการสยิวหน้ากิริยาสยิวหน้าการหลอกลวงกิริยาหลอกลวงภาวะที่หลอกลวงคือการวางท่าการตั้งท่าการแต่งท่าแห่งอิริยาบททั้งสี่อันใดของภิกษุ ผู้อิงอาศัยลาบสการะและความสันเสริญผู้มีความปรารถนาลามกผู้อันความปรารถนาครอบงำแล้วนี้เรียกว่าการหลอกลวง 2. ในบาปทรรมเหล่านั้นการพูดเลาะเล็มเป็นอย่างไรการพูดทักการพูดอวดการพูดเอาแต่ใจการพูดยกยอการพูดยกยอให้หนักขึ้น การพูดผูกมัดการพูดผูกมัดให้หนักขึ้นการพูดยกตนการพูดยกตนให้หนักขึ้นการพูดให้รักอย่างพร่ำเพรื่อการพูดลดตนเองการพูดเหมือนแกงถัว่วการพูดรับเป็นพี่เลี้ยงเด็กแก่ค น, อ, นอื่นอื่นอันใดของภิกษุผู้อิงอาศัยลาบสการะและความสรรเสริญผู้มีความปรารถนาลามกผู้อันความปรารถนาครอบงำแล้ว นี้เรียกว่าการพูดเลาะเลมสในบาปธรรมเหล่านั้นการกระทำนิมิตเป็นอย่างไรการกระทำกายและวาจาเป็นนิมิตการกระทำนิมิตคำพูดเป็นปัจจัยคำพูดเป็นนนยะการพูดกระซิบการพูดเลียบเคียงแก่คนอื่นอื่นอันใดของภิกษุ ผู้อิงอาศัยลาบสการะและความสรรเสริญผู้มีความปรารถนาลามกผู้อันความปรารถนาครอบงำแล้วนี้เรียกว่าการกระทธามนิมิตสี่ในบาปธรรมเหล่านั้นการด่าแช่งเป็นอย่างไรการพูดด่าการพูดข่มการพูดเคารหหาการพูดสา์การพูดส า, าดหนักขึ้น การพูดติเตียนการพูดติเตียนหนักขึ้นการพูดให้ร้ายการพูดให้ร้ายหนักขึ้นการนำโทษไปโพนธนาการพูดให้โทษลับหลังแก่คนอื่นอื่นอันใดของภิกษุผู้อิงอาศัยลาบสการะและความสรรเสริญผู้มีความปรารถนาลามกผู้อันความปรารถนาครอบงำแล้วนี้เรียกว่าการด่าแช่ง ห้าในบาปธรรมเหล่านั้นการสแสวงหาลาบด้วยลาบเป็นอย่างไรภิกษุผู้อิงอาศัยลาบสการะและความสรนเสริญผู้มีความปรารถนาลาโมกผู้อันความปรารถนาครอบงำแล้วนำเอาอามิ t h ที่ได้แล้วจากตระกูลนี้ไปที่ตระกูลโน้นหรือนำเอาอามิ t h ที่ได้แล้วที่ตระกูลโน้นมาที่ตระกูลนี้การเสาะหา การซอกหาการสแสวงหากิริยาซาะหากิริยาแอกหากิริยาสแสวงหาซึ่งอามิตรเห็นปานชนี้อันใดนี้เรียกว่าการสแสวงหาลาบด้วยลาบอธิบายความพระบาลีก็แลอั ธ, ธิบายความเห็นพระบาลีนี้ นักศึกษาพึงทราบดังจะ บ, บรรยายต่อไปนี้หนึ่งในกุหณะนิเทศพึงทราบอธาธิบายในกุหณะนิเทศเป็นประการแรกดังนี้คำว่าผู้อิงอาศัยลาบสการะและความสันเสริญความว่าผู้อิงอาศัยคือปรารถนาลาบสการะและชื่อเสียง คำว่าผู้มีความปรารถนาลามกคือมีความใคร่ที่จะแสดงถึงคุณอันไม่มีอยู่คำว่าผู้อันความปรารถนาครอบงำแล้วคือผู้อันความปรารถนาครอบงำแล้วคือเข้าประทุษร้ายแล้วต่อแต่นี้ไปโดยเหตุที่กุรณวัตุสามอย่างมาในคำภีมหานิเทศ โดยแยกเป็นกุหณาวัตถุคือการเสบปัจใจกุหณาวัตถุคือการกระซิบและกุหณาวัตถุคือการอาศัยอิรยาบทฉะนั้นเพื่อที่จะแสดงกุหณาวัตถุแม้สามอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงปรารภคำมีอาธิยังนี้ว่าปัจจะยะปฏิเสวนสังคาเตนะวาที่แปลว่าด้วยกุหณาวัตถุคือการสร้างเสปัจจสี่ หรือการทำให้พิศวงด้วยการปฏิเสธเพราะเป็นผู้อาศัยความเป็นผู้มีความปรารถนาลามกเมื่อถูกขหาบดีทั้งหลายนิมนต์ด้วยปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้นทั้งๆ ท, ที่ตนมีความต้องการปัจจัยนั้นอยู่และด้วยอย่างรู้ถึงขหาบดีเหล่านั้นเป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นในตนแล้วเมื่อเขาพูดว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้ามักน้อย ไม่ต้องการที่จะรับปัจจัยอะไรๆถ้าหากว่าพระผู้เป็นเจ้าจะพึงรับปัจจัยอะไรๆแม้สักเล็กน้อยก็จะพึงเป็นอันเราทั้งหลายได้ดีแล้วหนอดังนี้แล้วจึงพากันน้อมปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้นที่ประนีตประณีตมาด้วยอุบายวิธีมีประการต่างๆเธอจึงรับโดยทําให้รู้ความประสงค์ที่จะอนุเคราะห์เขาเหล่านั้นเท่านั้นตั้งแต่นั้น ก็เป็นเหตุให้เขาน้อมนำมาด้วยปัจจัยทั้งหลายแม้เป็นเล่มเกวียนการทำให้พิศวงทํานองนี้นักศึกษาพึงทราบว่าเป็นกุหณะวัตถุคือการสร้างเสรปัจจัยประการหนึ่งในบรรดากุหณะวัตถุสามประการนั้นสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในคำพีมหานิเทศหนึ่งกุหณะวัตถุ คือการแท่งเศษปัจจัยกูหนะวัตถุคือการแท่งเศษปัจจัยเป็นอย่างไรในศาสนานี้กษัตริทั้งหลายนิมนต์ภิกษุด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและกิลานาปัจจัยเภสัชบริขารภิกษุนั้นเป็นผู้มีความปรารถนาลามกผู้อันความปรารถนาครอบงำแล้วมีความต้องการจีวรบินทบาท เสนาส น, นะและกีฬานปัจจัยเพสัชบริคารอยู่เพราะอาศัยความอยากได้ให้ยิ่งขึ้นจึงบอกปัดจีวรบอกปัดบินทบาตบอกปัดเสนาส น, นะบอกปัดกีฬานปั จ, จัยเภสัชบริการเธอพันณน า, นายอย่างนี้ว่าประโยชน์อะไรของสมณะด้วยจีวรที่มีค่ามากการที่สมณะพึงเก็บเอาผ้าที่เขาทิ้งแล้วจากปัชชาบ้าง จากกองอยากเยื่อบ้างจากร้านตลาดบ้างมาทำผ้าสังฆติครองนี้เป็นการสมควรประโยชน์อะไรของสมณะกับบินทบาทที่มีค่ามากการที่สมณะพึงสำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยคำข้าวที่ทำให้เป็นก้อนซึ่งได้มาด้วยพิคขาจารวัรนี้เป็นการสมควรประโยชน์อะไรของสมณะกับเสนาสนะที่มีค่ามาก การที่สมณะพึงอยู่โคนต้นไม้พึงอยู่ป่าช้าหรือพึงอยู่กลางแจ้งนี้เป็นการสมควรประโยชน์อะไรของสมณะกับขีฬานปัจจัยเภสัตชบริคารอันมีค่ามากการที่สมณะพึงทํายาด้วยน้ํามูดเนา่าหรือด้วยชิ้นส่วนแห่งผลสมอนี้เป็นการสมควรอาศัยเหตุนั้นเธอจึงครองจีวรปอนปอนฉันบินทบาดเร็ว เสพเสนาสนะอย่างมัวมองเสพกีฬานปั จ, จัยเภสัชบริคานอย่างถูกถูกขาหาบดีทั้งหลายจึงรู้จักเธอนั้นทำนองนี้ว่าสมณะนี้เป็นผู้มักน้อยสันโดษชอบสงัดไม่คลุกคลีปรารบความเพียรมีวาทะกำจัดกิเลสจึงนิมนต์เธอด้วยจีวรบินทบาตเสนาสนะและกีฬานปั จ, จัยเภสัชบริคาน เธอจึงสาธยายดังนี้ว่ากุลบุตรผู้มีศรัทธาย่อมจะประสบบุญเป็นอันมากเพราะความพร้อมหน้าแห่งวัตถุสามประการคือกุลบุตรผู้มีศรัทธาประสบบุญเป็นอันมากเพราะความพร้อมหน้าแห่งศรัทธาหนึ่งกุลบุตรผู้มีศรัทธาประสบบุญเป็นอันมากเพราะความพร้อมหน้าแห่งเครื่องทายธรรมหนึ่งกุลบุตรผู้มีศรัทธาประสบบุญเป็นอันมาก เพราะความพร้อมหน้าแห่งทักินาญาบุคคลทั้งหลายหนึ่งท่านทั้งหลายมีศรัทธานี้อยู่แล้วเครื่องทายธรรมก็มีอยู่และอาตมาก็เป็นปฏิฆาหกด้วยถ้าอาตมาจาักไม่รับท่านทั้งหลายจักเป็นผู้เสื่อมจากบุญไปเสียด้วยอาการอย่างนี้อาตมาไม่ต้องการด้วยปัจจัยนี้แต่ที่รับไว้ก็เพื่อจะอนุเคราะห์ท่านทั้งหลายเท่านั้นอาศัยเหตุนั้น เธอจึงรับจีวรบ้างบินทบาทบ้างเสนาสนะบ้างกิฬานปัจจัยเภสัชบริคารบ้างไว้อย่างละมากมากการสยิวหน้ากิริยาสยิวหน้าการหลอกลวงกิริยาหลอกลวงภาวะที่หลอกลวงเห็นปาลชณีอันใดนี้เรียกว่ากุหณวัตถุคือการสร้างเศษปัจจัย คำว่าสายิวตามพจนนุกรมแปลว่าทำหน้านิ้วคิ้วขมวดแสดงความไม่พอใจหรือเบื่อหน่าย 2. กุหณะวัตถุคือการพูดกระซิบอันหนึ่งการทำให้เกิดพิษวงด้วยประการนั้นนั้นด้วยวาจาที่แสดงถึงการได้บรรลุอุตริมนุสธรรมของภิกษุ ผู้มีความปรารถนาลามกนั่นแหลนักศึกษาพึงทราบว่ากุหนนวัตถุคือการพูดกระซิบเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่ากุหนนวัตถุคือการพูดกระซิบเป็นอย่างไรภิกษุบางรูปในศาสนานี้เป็นผู้มีความปรารถนาลามกผู้อันความปรารถนาครอบงำแล้วมีความต้องการความสรรเสริญสําคัญว่าคนจักสรรเสริญเราด้วยอาการอย่างนี้ แล้วจึงพูดถ้อยคำอิงอาศัยอริยธรรมคือพูดว่าภิกษุใดครองจีวรเห็นปานชนีภิกษุนั้นเป็นสมณะผู้มีศักย์ใหญ่พูดว่าภิกษุใดใช้บาตรใช้ถาดโลหะใช้กระบอกกรองน้ำใช้ผ้ากรองน้ำใช้กุญแจสวมรองเท้าคาดประคตใช้สายโยกชนิดนี้ชนิดนี้ภิกษุนั้นเป็นสมณะผู้มีศัก์ใหญ่ พูดว่าพระอุปัชฌายะพระอาจารย์ภิกษุผู้ร่วมพระอุปัชฌายะภิกษุผู้ร่วมพระอาจารย์ภิกษุผู้เป็นมิตรเป็นเพื่อนเห็นเป็นเพื่อนคบเป็นสหายเห็นปานชนีของภิกษุใดภิกษุใดอยู่ในโวหารในโรงยาวในปราศาสในเรือนโลนในคูหาในที่เรนในกระท่อมในเรือนยอดในป้อมในโรงกลม ในศาลายาวในโรงประชุมในมนดบในรุกขมูลชนิดนี้ชนิดนี้ภิกษุนั้นเป็นสมณะผู้มีศักย์ใหญ่อีกประการหนึ่งภิกษุผู้มีความปรารถนาลามกนั้นตีหน้ายู่ยี่อย่างยิ่งสยิวหน้ายัางหนักหลอกลวงอย่างเจนจัดพูดเลาะเลมอย่างคล่องแคล่วชอบสัรหาด้วยปาก ยอมพูดถ้อยคำอันลึกซึ้งเร้นลับละเอียดปิดบังชันโลกุตระประกอบด้วยความว่างเช่นนั้นว่าสมณะนี้ได้วิหารสมาบัติอันสงบเห็นปานชนีการสยิวหน้ากิริยาสยิวหน้าการหลอกลวงกิริยาหลอกลวงภาวะที่หลอกลวงเห็นปานชนี้อันใดนี้เรียกว่ากุหณวัตถุ ค, คือการพูดกระซิบ สกุหณวัตถุคืออิริยาบถอันหนึ่งการทําให้พิศวงด้วยอิริยาบถ ท, ที่กระทําเพื่อประสงค์สรนเสริญของภิกษุผู้มีความปรารถนาลามกนั่นแหละนักศึกษาพึงทราบว่ากุหณวัตถุที่อาศัยอิริยาบถเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่ากุหณวัตถุคืออิริยาบถเป็นอย่างไรภิกษุบางรูปในศาสนานี้ เป็นผู้มีความปรารถนาลามกผู้อันความปรารถนาครอบงำแล้วมีความประสงค์ความสันเสริญสำคัญว่าคนจักสันเสริญเราด้วยอาการอย่างนี้แล้วประจงเดินประจงยืนประจงนั่งประจ o นอนตั้งใจแล้วจึงเดินตั้งใจแล้วจึงยืนตั้งใจแล้วจึงนั่งตั้งใจแล้วจึงนอน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 นี้เรียกว่ากุหณะวัตถุคืออิริยาบถอธิบายศัพท์พระบาลีในบทเหล่านั้นบทว่าปัจจยะปฏิเสวนสังคาเตนะแปลว่าด้วยกุหณะวัตถุที่บันดิตกล่าวอย่างนี้ว่าการเสกปัจจัยอีกนัยยะหนึ่งแปลว่า ด้วยกูห a วัตถุคือการเซปัจจัยบทว่าสามันตชับปิเตนะแปลว่าด้วยการพูดกระซิบคือพูดใกลห้หูบทว่าอิริยาปัิทะวาแปลว่าหรือแห่งอิริยาบทสี่บทว่าอัถปนาความว่าการวางท่าไว้แต่ต้น หรือวางท่าไว้ด้วยความเอื้อเฟือ้อบทว่าทัปปนาได้แก่อาการตั้งท่าบทว่าสันทัปปนาได้แก่การแต่งท่าอธิบายว่าการทำภาพให้เกิดความเลื่อมใสบทว่าพากุติกาคือการกระทําความสยิวน้าโดยแสดงถึงภาวะแห่งผู้เคร่งเครียดด้วยความเพียร อธิบายว่าเป็นผู้มีหน้ายูย่ยี่การกระทำความสยิวหน้าเป็นปกติของภิกษุนั้นเหตุนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าพากุติโกแปลว่าผู้มีความสยิวหน้าเป็นปกติภาวะแห่งภิกษุผู้มีการกระทำความสยิวหน้าเป็นปกติชื่อว่าพากุติยังแปลว่าภาวะแห่งภิกษุ ผู้มีการกระทำความสยุ่หน้าเป็นปกติบทว่ากุหนาแปลว่าการหลอกลวงคือการทำให้พิศวงกิริยาเป็นไปแห่งการหลอกลวงชื่อว่ากุหายนาแปลว่ากิริยาที่หลอกลวงภาวะแห่งบุคคลผู้หลอกลวงชื่อว่ากุหิตตังแปลว่า ภาวะของบุคคลผู้หลอกลวง